มันไม่ยากหรอกนะไม่ยากหรอกคอสังเกตใจเราใจเราเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวเป็นพบน้นพบนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วหมุนเวียนอยู่เหมือนกันเการฝึกกรรมฐานไม่ใช่การฝึกให้จิตนิ่งคงที่ดีตลอดดีตลอดนี่ไม่มีในโลกอนะมีแต่ดีชั่วคราวไม่ได้ฝึกเอาสุขตลอดเพราะสุขตลอดไม่มีอยู่ในโลกมีแต่สุขชั่วคราว ไม่ได้ฝึกเอาสงบตลอดเวลาสงบตลอดเวลาไม่มีในโลกมีแต่สงบชั่วคราวนะงั้นเราไม่ได้ฝึกเอาของชั่วคราวหรอกกรรมฐานอะไรคนฝึกล้มลุกลุกคลานเพราะมุ่งเอาความสุขความสงบความดีอยากได้แค่นี้ยอยากได้ของเรื่องมันไม่เที่ยงเนี่ยเงั้นได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไป ตลอดชีวิตเราจะภาวนาจะเอาแค่นี้หรือตื้นไปหลายคนนะเป็นเยอะเลยภาวนาจะเอาความสุขจะเอาความสงบจะเอาความดีนะความสุขความสงบความดีเป็นแค่ของแถมนะเราไม่ได้ภาวนาเอาของแค่นี้เราภาวนาอความจริงภาวนาให้เห็นสัจจะหเห็นความจริงถ้าเห็นความจริงแจ่มแจ้งนะ ถ้เข้าใจสัจจะชั้นสูงที่สุดเลยชื่ออริยสัจจะให้รู้จักอริยสัจบ้างอย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินนะอริยสัจสี่เนาะทําไมต้องสี่ก็พระพุทธเจ้าสอนไม่สี่ก็สี่หละนะมี่คิดมากแลอกง <c oughs> ั้นเราเรียนเอาความจริงนะเรียนให้เห็นความจริงให้ได้ความจริงถ้าเรียนเอาความจริงเราก็เรียนรู้ไปอริยสัจข้อแรกเลยเรื่องทุกข์ อะไรคือทุกนี่ต้องเรียนละรูปกับ น, นามานะคือตัวทุกกายกระใจเรานี่แห ล, ละตัวทุกหน้าที่ต่อทุกคืออะไรหน้าที่ต่อทุกคือการรู้นั้นให้เรารู้ทุกไม่ได้ให้ละทุกไม่ได้ให้หนีทุกไม่ได้ให้เกลียดทุกนะไม่ต้องไปนหนีมันหนียไงก็หนีไม่รอดหรอกเพราะหนีไปไหนละ่ะหนีไปอยู่ขั้วโลกนะก็เอากายเอาใจไปด้วยกายกระใจเป็นตัวทุกนะทุกก็ตามไปขั้วโลกหนีไปอยู่ดวงจันทร์นะเอากายเอาใจไป ความทุกข์ก็ตามไปอยู่ดวงจันทร์ด้วยเพรั้นเราหนีทุกข์ไม่ได้ไม่ได้พภาวนาหนีทุกข์แต่ภาว่ารู้ทุกข์รู้ลงไปรู้ลงในกายรู้ลงในใจรู้มากๆานี่ท่านบอกว่าหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้สัจจะข้อที่สองคือตัวสมุทยัยอะไรคือสมุทยัยเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาความทยานอยากของจิตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ อย่างเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเป็นเปรตรู้สึกไหมใจมันอยากก่อนมันมีโลภะขึ้มานะตัณหาเกิดขึ้นเราก็สเสวยพบของเปรตเนีเราไม่ได้อย่างใจใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นเราก็สเสวยพบของสัตว์นรกเนี่ยมีความอยากเกิดขึ้นนะความอยากมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่สมอยากก็โทสะเกิดความอยากเกิดขึ้นราคะก็เกิดแทรกเข้ามาอยาก อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่ได้อยากไม่เจอหน้าที่ต่อตันหาหน้าที่ต่อความอยากคือละเสียวิธีละตันหาเนี่ยเป็นเรื่องอัศจรรย์ท่านพูดไว้แค่นี้นะบอกว่าทุกให้รู้สมุทยัยคือตัวตันหาให้ละตอนที่พูดอริยสัจเนี่ยท่านยังไม่บอกว่าละยังไงท่านบอกว่าสัจจะตัวที่สคือนิโรดนิโรดคือนิพพาน คือความดับสนิทแห่งทุกข์ดับสนิทแห่งทุกข์คือความดับสนิทแห่งขันเราบอกแล้วว่าทุกข์คือขันทุกข์คือรูปนามงั้นนี้นิพพานคือความดับสนิทของรูปนามดับดับสนิทของขันดับสนิทของกายของใจขั้นที่ว่านิพพานเป็นความดับสนิทเนี่ยเป็นขั้นนิพพานชั้นสูงนะชื่ออนุปาทิเสศสนิพพาน ยังมีนิพพานอีกอันนึงชื่อสัอุปาทิเสสนิพานอันนี้นิพพานดับกิเลสขันยังอยู่แต่จิตไม่มีกิเลสเพราะฉนั้นจิตไม่ไปหยิบฉวยขันขึ้นมานิพพานตรงนี้ไม่ถึงขั้นดับทุกขแต่นิพพานตัวนี้พ้นทุกขระหว่างพ้นทุกกระดับทุกข์ไม่เหมือนกันพ้นทุก์ก็คือจิตไม่ยึดถือในรูปนามไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือในธาตุในขันซึ่งประกอบเป็นตัวเรา พอไม่ยึดถือนะมันจิตกับขันนะ่ะพลากออกจากกันไม่เกี่ยวกันเหมือนกระติกน้ํานะกระติกน้ําเนี่ยเอาไปยกไว้ก็เมื่อยเห็นไหมถ้าเราวางได้เนี่ยกระติกก็ยังเป็นอย่างเดิมแหละแต่ว่าเราไม่เมื่อยเราไม่ไปยกขึ้นมาขันนี่เหมือนกันนะขันนี้เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ถ้าเราไม่ไปหยิบช่วยขึ้นมานะขันก็เป็นทุกข์สวยของขันเราไม่ทุกข์กับขันไปด้วยนี่แหละก็เราพ้นจากทุกข์เพราะจิตพ้นจากขัน อันนี้เป็นสอพปะที่เสสนิพานเป็นนิพานที่ยังมีเชื้อเหลือหรือยังมีขันเหลืออยู่นิพานอีกชนิดหนึ่งก็คือนิพานเมื่อสิ้นขันที่เราเรียกว่านิพานปรินิพานอะเนี้ยปรินิพานนก็คือนิพานรอบดับขันจนหมด น, นั่นเรียกว่าดับทุกเมื่อไหรดับขันเมื่อนั้นเรียกว่าดับทุกเมื่อไหรพ้นขันเมื่อนั้นเรียกว่าพ้นทุกพ้นขันก็คือไม่ยึดขันนั่นนิพานคือนิโรธ หน้าที่ต่อ น, นิโรธคือการเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นนะเข้าไปรู้เพราะหน้าที่ต่อ น, นิโรธต่อ น, นิพานนะัคือเข้าไปประจักษ์นะเรียกสัจิกิริยาจิตกิจสัจิกิริยากิจกิจต่อ ah ah น, ะอ น, นิพานคือการเข้าไปประจักษ์ทำไมไม่ได้ไปทำให้นิพานเกิดเพราะนิพานมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำให้นิพานเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าไปเห็นสิ่งซึ่งมันมีอยู่แล้วที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะอะไรเพราะใจไม่มีคุณภาพใจมีแต่ตันหามีแต่ความอยากมีแต่การดิ้นรนสร้างพบมีแต่ความปรุงแต่งไปเรื่อยทุกครั้งที่ปรุงแต่งแล้ก็สร้างพบขึ้นมาทุกครั้งที่มีพบก็มีชาติชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือชาติคือการได้มาการที่ไปหยิบช่วยมาซึ่งรูปกระนำกายกระใจนี้แหละนั่นก็คือตัวชาติการที่ไปหยิบตะครุบมาได้นะัเป็นตัวชาติ หน้าที่ต่อทุกนะก็คือการรู้ทุกคือตัวรูปนามหน้าที่ต่อสมุทัยเหตุให้เกิดทุกสมุทัยคือตัวตันหาหน้าที่ต่อตันหาคือการละแต่นี่ยังแกวนไว้ก่อนมาละอย่างไรหน้าที่ตอ น, นิโรธคือการเข้าไปแจ้งเข้าไปประจักษ์เข้าไปพบเข้าไปเห็นของมีอยู่แล้วไม่ต้องทาให้เกิดขึ้นแต่เดิมไม่เคยเห็นเพราะจิตไม่มีคุณภาพจิตมีแต่ตันหา เมื่อรายดับสนิทซึ่งตัณหาเมื่อนั้นจะแจ้งนิโรธนะนิโรธคือความสิ้นตัณหาพูดอย่างนี้ก็ได้นิโรธคือความสิ้นทุกขนิโรธคือความสิ้นปรุงแตง่งนิโรธที่ชื่อว่าสิ้นตัณหานะบางทีก็เรียกว่าวิราคะใครเคยได้ยินคําว่าวิราคะมั้งวิราคะนะี่คือความสิ้นตัณหานิโรธคือความสิ้นขันที่เรียกว่าวิมุตมันหลุดพ้นจากขันนะ นิโรธที่แปลว่าสิ้นความปรุงแตง่งชื่อว่าวิสังขารนะวิสังขารคือพ้นจากสังขารพ้นจากความปรุงแตง่งนะงั้นถ้าเมื่อไรเราสามารถดับตัณหาได้สนิทนะดับแล้วไม่เกิดขึ้นมาอีกเหมือนดับไฟดับแล้วไม่มีการประทุ ข, ขึ้นมาอีกนะดับสนิทจริงๆเรียกว่าดับตัณหาสนิทจริงๆเราจะเห็นนี่นิพพานต่อหน้าต่อตาเลยนะ นิพพานคือความสิ้นตันหานะเห็นไหมตันหานี่มันคือความอยากหน้าที่ต่อตันหาคือละแต่เรายังไม่รู้ว่าจะละยังไงนะถ้าละแล้วจะได้อะไรละแล้วจะเห็นนิพพานนะจะเห็นนิพพานสัจจะตัวที่สี่ชื่อว่ามัคใครเคยได้ยินมัคมั่งมัคไม่ใช่หน่วยวัดทางวิทยาศาสตร์นะมีวัดเป็นมัคมคเนื้อ <laughs> มัคเป็นว่าทาง ทางอะไรทางไปสู่นิพพานทางพ้นจากขันทางพ้นจากทุกขนทางที่สิ้นตัณหาทางนี้ประกอบด้วยองค์8ปประการย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องก็คือความรู้แจ้งอริยรสัจสัมมาสังกัปปะความดำรี่ถูกต้องดำรีออกจากกรามดำรีออกจากความพยาบาทปองร้ายดำรีออกจากความคิดเบียดเบียนนะสัมมาวาจามีวาจาชอบนะ พจาชอบไม่ใช่พูดไม่ดีนะสมมากัมมันตะการทําการงานชอบก็คือมีศีลข้อ1นึข้อสข้อนะสามสมาวาจาคือศีลข้อ4สี่มากัมมันตะคือศีลข้อ1ข้อสข้อสไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำร้ายสัตวนะ์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรมรสรามาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบเลี้ยงชีวิตแบบไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะ สัมมาวายามะความเพียรชอบคือเพียรละอกุศลที่มีอยู่แล้วนะให้มันหายไปเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรทํากุศลให้เกิดเพียรทํากุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามนี่เรียกว่าสัมมาวายามะวิธีที่จะได้สัมมายวายามะคือมีสตินั่นเองทันทีที่เรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนะอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีเช่นกํากลังโกรธอยู่พอรู้ว่าโกรธความโกรธจะดับทันทีนะ อกุศลใหม่จะไม่เกิดในขณะที่มีสติในขณะที่มีสติขึ้นมานั้นกุศลได้เกิดขึ้นแล้วเพราะตัวสตินั่นแหละตัวกุศลนะแล้วถ้าสติเคยเกิดแล้วสติก็เกิดง่ายเกิดบ่อยกุศลก็พัฒนาขึ้นงั้นสัมมาวายามะจริงๆนะก็ให้เรามีสติบ่อยๆนั่นแหละมันจะได้สัมมาวายามะมาครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกว่าถ้ามีสติก็มีความเพียรถ้าขาดสติก็ขาดความเพียรสัมมาวายามะคือความเพียรชอบนะ สัมมาสติคืออะไรคือการมีสติระลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมหรือสติปัฏฐานนั่นเองนะมีสติรู้รูปรู้นามนั่นแหละสัมมาสมาธิคืออะไรสัมมาสมาธิท่นานอธิบายด้วยฌาน4นีะ่ซึ่งครอบคลุมไปถึงอรูปฌานด้วยนั้นฌานรวมทั้งหมดแปดฌานนี้อยู่ในสัมมาสมาธิหนะนึ่งสอนี่เป็นรูปฌานฌานที่4ี่นี่นะ ก็เป็นรูปฌานแต่ว่าถ้าจับอารมณ์ที่เป็นนำมาทำก็จะเป็นอรูปสี่จะอรูปนี้นจะแยกได้อีก4ชนิดนะงั้นถ่าอาธิบายสัมมาส ม, มาธิด้วยฌานนะทำไมอธิบายด้วยฌานเพราะในขณะที่เกิดอริยมรรคจริงๆนั้นต้องเกิดในฌานไม่เกิดในจิตของคนธรรมดาอย่างนี้ไม่เกิดในกามาวจรภูมินะเวลาเกิดอริยมรรคเนี่ยไม่เกิดในกามาวจรภูมิจิตใจอย่างพวกเรานี่ไม่มีนะ เวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจะเกิดร่วมในกัจฉานเสมอนะจะต้องเกิดร่วมกัจฉานเสมอเพราะงั้นเวลาท่านอธิบายสัมมาสมาธิเต็มภูมเนี่ยท่านจะอธิบายด้วยฌานนี่พวกเราไม่ได้ทรงฌานไม่ต้องตกใจนะเรามีสมาธิอยู่ชนิดหนึ่งนะเรียกว่าคณิกะสมาธิแล้มีสมาธิชั่วขณะจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้เนี่ยทุกครั้งที่รู้ทุกขณะนั้นจิตไม่หลงจิตตั้งมั่นไม่ไหลไป ตรงที่จิตตั้งมั่นไม่ไหลไปนั่นแหละมีสมาธิชั่วขณะนะชื่อคณิกะสมาธิเป็นสมาธิสําคัญนะใช้เจริญมิปัสสนาสําหรับคนซึ่งไม่ได้ทรงฌานนะใช้ทํามิปัสสนาได้รู้สึกตัวทีละแวบนี่แหละอย่าดูถูกแวบให้บ่อยก็แล้วกันรู้สึกแวบไหลไปรู้สึกไหลไปแล้วรู้สึกไหลแล้วสึกในสุดความรู้สึกมีถี่ยิบขึ้นมานะมันจะเหมือนรู้สึกได้นานขึ้นนะจะเหมือนทรงความรู้สึกตัวได้นาน ตรงนี้จะเดินปัญญาได้แล้วพอสรงตัวความรู้สึกตัวได้นะดูลงในกายดูลงในใจจะเห็นกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะจะเห็นมันเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจิตเกิดดับอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่านะเห็นอย่างนี้เลยไม่มีตัวคนไม่มีตัวสัตว์ไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาการที่ภาวนาจนถอดถอนความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขานี่แหละนะ เป็นการปฏิบัติเรียกว่าเจริญปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานทําไปแล้วถ้าสําเร็จนะจะได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วก็ต่อไปก็ไม่มีสติรู้กายรู้ใจต่อไปนั่นแหละรู้อย่างวิธีละตัณหาทํำยังไงวิธีละตัณหาก็คือรู้ทุกข์นั่นแหละก็คือเจริญมรรคนี่แหละเจริญมรรคนี่แหละโดยการมีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจไปเรื่อนยะในขณะที่เรามีสติรู้กาย ร, ายรู้ใจอยู่เห็นไหม เรารู้ตัวทุกอยู่ในขณะที่เรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่เนี่ยใจเราจะคิดชั่วไหมคิดไปในกรรมไหมคิดไปในพยาบาทไหมคิดไปในทางเบียดเบียนไหมไม่คิดหรอกสัมมาวายามาก็มีขึ้นมาในขณะที่เรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่ปากไม่เสียหรอกกิเลสมารู้ทันนะปากไม่เสียสัมมาวาจาก็มีขึ้นมาในขณะที่มีสติรู้กายรู้ใจอยู่นะไม่ทํากรรมชั่วไม่ทําผิดศีลห้าหรอกนะ เพราะฉะนั้นสัมมากัมมันตะก็มีขึ้นมาไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ 2: ข้อ 3. ในขณะที่เรามีสติอยู่จริงๆนะเราจะรู้เลยมันมีความละอายแก่ใจถ้าจะทำไม่ดีเราจะไม่เลี้ยงชีพในทางที่ไม่ดีนะบางคนจาเป็นต้องเลี้ยงอยู่ก็จะค่อยๆหาทางขยับขยายนะอย่างบางคนทาบอ่อปลาบ่อกุ้งอนะไรเงี้ยอันนี้ไม่จัดเป็นสัมมาอาชีวะนะเป็นเป็นอย่างเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่นะ ก็ค่อยๆหาทางขยับขยายเปลี่ยนแปลงอาชีพซะอะไรเงี้นะนะเพราั้นแล้วถ้าเรามีสติอยู่นะสัมมาวายามาก็เกิดมีสติรู้กายรู้ใจสัมมาวายามะมีความเพียรชอบคือกิเลสถูกดับไปกิเลสใหม่ไม่เกิดกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดที่เกิดแล้วก็เกิดบ่อยนะในขณะที่มีสติรู้กายรู้ใจอยู่นะนั่นแหละเรียกว่าสัมมาสตินะแต่ต้องมีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นตัวจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นขณะขนนะก็เป็นสัมมาสมาธิ เป็นโดยอนุลม์นะงั้นการที่เราใครมีสติรู้กายรู้ใจของเราเป็นขณะขณะไปด้วยนั่นแหละคือการเจริญมรรคแต่ยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคเรียกว่าบุพภาคมรรคยังไม่ใช่อริยมรรคในขณะที่อริยมรรคเกิดนั้นะองค์มรรคทั้งทั้ง8ตัวรวมกันเป็น1นะรวมพลังทั้งหมดเลยเป็นหนึ่งถึงจะล้างกิเลสได้ตอนนี้ยังไม่เกิดอริยมรรคจิตยังไม่ได้ทรงฌานด้วยนะ ฌานมันจะเกิดอัตโนมัตินะถึงเวลาที่ศีลสมาธิปัญญามันพอเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนะี่ยถึงเข้าฌานไม่เป็นนะในขณะนั้นจิตจะเข้าฌานอัตโนมัตินะไม่ต้องกังวล น, นะงั้นบางคนโอ้เข้าฌานไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าต้องมีสัมมาสมาธิคือมีฌานเราชาตินี้ไม่มีโอกาสไม่ใช่นะไม่ใช่ให้เจริญสติไปแล้วแหละนะมีสติมีใจที่รู้สึกตัวเป็นขณะขณะนะเรียกมีคณิกะสมาธินั่นแหละ ถึงวันที่เขาพอนะจิตจะเข้าฌานเองแล้วจะไปตัดกิเลสกัในฌานนะไม่ตัดข้างนอกนี่หรอกเหมือนพวกเราได้คําตอบไหมวิธีที่ละสมุทัยละตัณหาละตัณหาก็คือรู้ทุกนั่นเองการรู้ทุกนั่นแหละตัวมั๊กนะถ้าละตัณหาได้นั่นแหละนิโรธแม้ทุกสมุทัยนิโรธมั๊กมันอันเดียวกันนะสุดท้ายมันเกิดในขณะเดียวกันได้น่อัศจรรย์ที่สุดเลยนะถ้าไม่พอนาไม่เห็นออกได้แต่คิดเอาคิดเอาคิดไม่ออกหรอก มีงานมีความจริงตั้ง4อย่างใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือความจริงมีกิจตั้ง4อย่างที่จะต้องทํากิตต่อทุกคือการรู้จิตต่อสมุทัยคือการละกิตต่อ น, นิโรธคือการทําให้แจ้งกิตตอมรรคคือการทําให้เจริญเพาั้นหน้าที่เจริญสติเจริญมรรคนี่แหละทําให้มากๆนะต่อไปสติปัญญามันพัฒนาเบื้องต้นมันก็จะเห็นว่าตัวเราไม่มี กายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราขันห้านี้ไม่ใช่เรามีแต่ขันไม่มีเจ้าของเห็นอย่างนี้ได้เป็นพระโสดาบันเป็นภูมิธรรมภูมิปัญญาของพระโสดาบันกับพระสกทาคานะเป็นภูมิปัญญาระดับนี้ภาวนาต่อไปอีกภูมิปัญญามันเพิ่มขึ้นมันเห็นเลยจิตไปอยากเมื่อไหร่ก็ทุกจิตไปยึดเมื่อไหร่ก็ทุกถ้าจิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยไม่ทุกเนี่ยเห็นอย่างนี้นะภูมิธรรมตรงนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีเั้นจิตจะทรง ทรงสมาธิอยู่จิตไม่ไหลไปหาอารมณนะ์แล้วไม่วิ่งพล่านไปอยากไปยึดอะไรหรอกแต่อยากยึดที่จะไม่ยึดอะไรอยู่ตรงนี้แหละนะพอใจที่จะยึดความสบายความสงบของจิตอยู่ตรงนี้เองภาวนาต่อไปอีกนะจนปัญญามันแจ่มแจ้งนะว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกขนะปัญญาตัวสุดท้ายเลยนะจะลงมาที่จิตมันจะเห็นละก่อนนะว่ากายนี้ตัวทุกกายเป็นตัวทุก์เนี่ยพระอนาคาวางกายได้นะไม่ยึดกายแนละ้ไม่ยึดรูป นะแต่จะไปยึดความสุขทางจิตใจนะต่อมามาปัญญามันแก่รอบมีสตินี่แหละรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนี่แหละถึงวันที่เขาแก่รอบจริ ง, รงๆเขาจะเห็นเลยตัวจิตนั่แหละตัวทุกตอนนี้เราไม่เห็นจิตเป็นทุกเรารู้สึกไหมตอนนี้บางคนนะเขารู้สึกตัวขึ้นมาจะพบว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้ทุกนะจิตเป็นผู้ดีนะไม่ใช่ผู้ร้ายเนี่ยภูมิธรรเรายังไม่เห็นหรอก ถ้าเราภาวนาให้มากพอนะเราถึงจะเห็นจิตนี่ก็เป็นตัวทุกข์นะทุกข์ล้วนๆเลยพอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆน่ะไม่ใช่จิตเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเหมือนที่เคยเห็นมาแล้วกายก็เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่างพวกเราขนาดนี้เราเห็นกายเป็นทุกข์บ้างเราเห็นจิตเป็นทุกข์บ้างใช่ไหมเดี๋ยวบางทีกายก็เป็นสุขบางทีจิตก็เป็นสุขเนี่ยมีทั้งสุขทั้งทุกข์อยู่ในกายในใจถ้าภาวนาจนแก่รอบจริงๆจะรู้เลยไม่มีสุขเลย มีแต่ทุกข์ล้วนๆในกายมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตก็มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจะเห็นอย่างนี้นะอเมื่อมันทุกข์มากก็ไม่ดีใช่ไหมทุกข์น้อยมันก็ไม่ดีมันก็วางสิมันของเป็นทุกข์เนี่ยเอาทาไมเพราะงั้นเมื่อไรรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะมันจะไม่ยึดถือในกายในใจเมื่อหมดความยึดถือในกายในใจเนี่ยความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีความอยากจะไม่มี งั้นเมื่อไรรู้ทุกแจมแจ้งนะหมดความยึดถือในกายในใจในรูปในนามแล้วเนี่ยสมูทไทจะเป็นอันถูกละอัตโนมัตินี่แหละที่ว่าละสมูทไทสมูทไทให้ละนะละด้วยการรู้ทุกแจมแจ้งนะถ้าเมื่อไร่รู้ทุกแจมแจ้งนะจะละสมูทไทอัตโนมัติหลวงปู่ดูลสอนจะจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งเป็นมรคใช่ไหมข้างหน้าก็มีเขียนนะแล้วก็ไปตัดคําว่าแจมแจ้งออกไปกลัวที่ไม่พอถ้าคาเต็มเต็มของท่านนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรค จิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งคือแจมแจ้งว่าอะไรแจมแจ้งว่าทุกข์นะนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อต้อตอบได้นะว่าหลวงปู่นี่หลวงปู่ท่านสอกจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งเป็นมรรคถามว่าจิตเห็นจิตอย่างแจมแจ้งนะั้นเห็นอย่างไรเห็นจิตเป็นทุกข์น่ะสิจะเห็นเป็นอะไรเพราะจิตเป็นขันใช่ไหมจิตเป็นขันนะจิตก็เป็นทุกข์สิ ถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกข์เมื่อไหร่ก็ปล่อยวางจิตเมื่อนั้นปล่อยวางจิตเมื่อไหร่ก็จะไม่ยึดอะไรในโลกอีกแล้วเพราะจิตเป็นสิ่งที่เรายึดเหนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเรานะถ้าเราไม่ยึดกายไม่ยึดจิตแล้วเนี่ยความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่มีขึ้นมาอีกสมุทัยจะถูกละแล้วล้าเลยล้าแล้วไม่ต้องละอีกละครั้งเดียวจบเลยนะไม่ใช่ละเป็นคราวๆนะเช่นเดินไปศูนย์การค้าเห็นเสื้อตัวนี้สวยอยากได้รู้ทันว่าอยากเนี่ย ความอยากดับไปหันไปมองเสื้ออยากอีกแล้วนะรู้ทันอีกดับอีกหันไปมองเสื้อมองไปมองมาเสื้อกลับมาอยู่บ้านแล้วนะดูไม่ทันแล้วใช่ไหมนี่ละไม่ขาดนะละไม่ขาดไปเหมือนตอนที่เรารู้ทุกข์เขี่ยมแจ้งนะถ้ารู้ว่าธาตุขันเนี่ยเป็นตัวทุกข์เขี่ยแจ้งนะขันธาตุอายตนะเป็นตัวทุกข์เขี่ยมแจ้งนะจะวางไม่ยุดอีกแล้วนะความอยากจะไม่มีขึ้นมาอีก เรียกว่าสมุเดเฉตทหารเลยสมุเดเฉตทหารหมายถึงค่าทีเดียวตายเลยไม่ต้องมาค่าแล้วค่าอีกสู้แล้วสู้อีกนะสู้ครั้งเดียวจบนะเพราะฉั้นงานในทางธรรมะเนี่ยมีจุดจบนะมีจุดจบถ้าเราไม่จบซะก่อนกิเลสก็ต้องจบไปก่อนละต้องจบกันข้างหนึ่งแล้วนะต้องสู้ตายนะสู้ตายเั้นเรียนนะให้ได้ความจริง เรียนธรรมะเนี่ยเอาความจริงตัวนี้ให้ได้ในฐานะที่มาเรียนวันสุดท้ายนะของคอร์สครั้งนี้นะนะก็เลยสอนให้มันถึงอริ ย, ยสัจซะหน่อยนะถ้าเข้าใจอริยสัจจะเป็นชาวพุทธแท้ถ้าเข้าใจอริยสัจแจ่มแจ้งจะเป็นพระอรหรันตะ์จำไว้น่าจะพ้นจากทุกข์จริงๆเลยพ้นจากทุกข์ได้เพราะสิ้นตัณหาจะเห็นนิพพานสิ้นตัณหาเพราะเห็นความจริงของทุกข์ เห็นความจริงของกายของใจแล้วละ่ะกายกับใจนี้เป็นทุกข์หมดความยึดถือนในกายในใจความอยากให้กายให้ใจเป็นสุข ค, ความอยากให้กายพ้นทุกข์ให้ใจพ้นทุกข์ไม่มีอีกนะพอหมดความอยากจิตหมดความดิน้นรนจิตที่หมดความดิน้นรนนั่นแหละสัมผัส ธ, ธรรมะที่ไม่ดิน้นรนไม่ปรุงแต่งนั่นแหละคือพระนิพพานนะไม่ใช่จิตคือนิพพานนะจิตก็ส่วนจิตนะนิพพานส่วนนิพพานนะคนละอันกันนะจิตนั้นไปสัมผัสพระนิพพานเข้านะ ไหนก็มาเรียนแล้วต้องเทศยาวหน่อยเนาะพอรับไหวไหมไหวนะพอทำไหวไหมอ่ะต่อไปตรวจกันบ้านค่ะเมื่อวานก็รู้สึกว่าบังคับน้อยลงค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านน้อยลงความคิดที่เข้ามามันมันน้อยลงอะคะ่ะ อ, อาจจะเป็นเพราะไม่ได้คุยกับใครดีพูดมากไม่ดีค่ะนะแต่ว่ า, าตอน่นถึงบอกว่าไม่คลุกคลี พวกเราก็ทุกคนนะไม่เฉพาะโยมนี้หรอกพวกเราถ้าอยากให้พานาดีๆนะเราก็ต้องมีธรรมะบางตัวนะเป็นเงื่อนไขในการดํารงชีวิตนะมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลนะีอะไรเงี้ยนะก็เจริญสติไปครุกคลีมากก็พูดมากกินพออยู่ใช่ไหมนอนพอสมควรนะกินพอสมควรนอนพอสมควรไม่ครุกคลีเนี่ยสมตัวนี้นะ เป็นเงื่อนไขที่ดีสําหรับคนหัดใหม่นะถ้าเป็นพระละหันแล้วจะกินเท่าไหร่จะนอนเท่าไหร่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ว่านี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะหลวงปู่สิมท่านพูดหลวงปู่สิมท่านเคยสอนนะบอกว่าตอนนี้นะอย่า ก, กินเยอะอย่านอนเยอะอย่าพูดคลุกคลียอะให้ภาวนาให้มากต่อไปเจ้าเป็นพระละหันแล้วเจ้าจะกินเท่าไหร่ปู่ก็ไม่ว่าดอกเจ้าจะนอนเท่าไหร่ปู่ก็ไม่ว่านะเจ้าจะพูดไงปู่ก็ไม่ว่าหรอ ก, ก อ้าวว่าไปแล้วก็ตอนที่ภาวนาใช้สวดมนต์เป็นวิหารธรรมค่ะก็เห็นตัวอยากคิดซึ่งธรรมดาเนี่ยจะเห็นตอนที่มันคิดไปแล้วเป็นภาพไปแล้วค่ ะ, หะเห็นอยากขึ้ น, น ม, มามนจิตจมันมีเครื่องอยู่อะพะจิตมันมีเครื่องอยู่กับการสวดมนต์ใช่ไหมมันเห็นจิตได้ละเอียดขึ้นเห็นว่ามันจุก ข, ขึ้นมาเลยอะค่ะแสดว่าอยากมากแล้วก็ บางทีเวลาที่เราภาวนาค่ะแล้วก็มีเครื่องอยู่แต่ว่ามันเห็นเลยค่ะว่าจิตไม่ตั้งมั่นเพราะว่านั่งนั่งอยู่แล้วก็ตัวต่อบินมาเราเห็นแล้วจิตมันตกใจมันกระเจิงออกไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าภาวนาอยู่ก็เห็นไก่มันขันจิตมันก็กระเพื่อมก็เลยรู้สึกว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นเลยขนาดที่เราอยู่หลวงปู่ดูสอนนี้นะธรรมชาติของจิตมันส่งออกนอกนะ นี่ส่งออกนอกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะกับเพื่อมหบันไหวส่งออกนอกเช่นตาไปเห็นไก่จิตกับเพื่อมบันไหวเห็น ไ, ไหมอันนี้เป็นตัวสมุทัยสร้างพบสร้างชาตินะพระอรหันต์เนี่ยมีจิตออกนอกนะไม่ใช่ไม่ออกแต่ออกแล้วกระทบอารมณ์เนี่ยไม่กับเพื่อมหบันไหวต่างกันเท่านี้เองเพราะฉะนั้นให้รู้ทันจิตที่กับเพื่มบันไหวไหมถ้ารู้ทันถึงจุดหนึ่งมันไม่กับเพื่อมบันไหวแต่ไม่ใช่เพ่งไว้นะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆทื่อๆ น, นะ นะปล่อยให้มันกระเพื่อมบันไหวไปกระเพื่อมบันไหทแล้วรู้ทันนะเราจะได้รู้ว่ากิเลสยังมีกําลังอยู่ในใจเราแล้วเราจะทราบได้ยังไงคะว่า<ะ>ตอนนี้เราจะทราบได้ยังไงว่าตอนนี้เราจิตตั้งมั่นหรือไม่ตั้งมั่นนะคะไม่ตั้งมั่นหรอกตั้งมั่นมีน้อยไม่ตั้งมันเยอะนะไม่ต้องห่วงหรอกยังไงก็ไม่ตั้งเราแค่ว่ามันไหลเรารู้ไหลเรารู้นะแค่นั้นหนูก็พอแล้วค่ะขอการบ้านหลวงพ่อไปทําต่อให้แล้วนะจิตไหลไปเรารู้บ่อยๆนะ เนี่ยโยมไม่รู้เป็นไรนะชอบขอการบ้าน ท, ทั้งที่ตรงพ่อให้การบ้านแล้วเหมือนกันทุกรลยเลยสแสดงว่าที่ให้เนี่ยไม่ยอมรับไม่รู้ว่าให้แล้วนะไปฝึกนะหนูดีขึ้นแล้วกลับนมัสการค่ะเมื่อวานช่วงบ่ายง่วงมากเลยค่ะแต่ก็พยายามที่จะปฏิบัติจนกระทั่งสับประงกไปสามสี่ครั้งครั้งสุดท้ายมีเสียงคประตู ก็เลยขออนุญาตไปดื่มกาแฟแล้วก็กลับมาปฏิบัติต่อได้แล้วก็จะเห็นว่าจิตมันปรุงบ่อยอะค่ะปรุงทั้งวันหละห้ามไม่ได้ให้รู้ทันความปรุงแต่งหลวงพ่อพูดตลอดเวลาเห็นไหมไม่ห้ามการปรุงแต่งเพราะจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไม่ฝืนธรรมชาติของมันเหมือนแบบห้ามไม่ได้ห้ามว่าไฟต้องไม่ร้อนไม่ได้ห้ามมันร้อนไฟมันก็ร้อนจิตมันก็ปรุงแต่ปรุงแล้วรู้ทันไว้ถ้ารู้ไม่ทันมันจะครอบงําจิต กิเลสจะครอบงํานะถ้ารู้ทันกิเลสไม่ครอบงําไม่เป็นไรบางครั้งรู้ทันมันจะดับไปเลยอะคะ่ะใ่แลว้วแวบเดียวมันกลับมาอีกเออเพราะมันยังมีเหตุอยู่จนะไปตรึกเรื่องนี้อีกก็กลับมาอีกนะอยากไม่ให้มาก็เห็นความความอยากออพอพอเห็นพอพอเห็นความอยากก็รู้ว่าอยากอืแล้วสักพักมันก็หายไป ก็กลายเป็นนิ่งกลายเป็นนิ่งอะค่ะอย่าไปเพ่งนะอย่าให้เพ่งนิ่งๆนานๆไม่ดีนิ่งทีละแวบอะพอดีนิ่งนานๆไม่ดีแสดงว่าประคองถ้าประคองไว้ใจจะอึดอัดนะนิ่งๆทื่อๆไม่สบายหรอกไม่ได้ทําด้วยโลภะอยากให้ดีเลยไปประคองจิตให้นิ่งอย่างนั้นใจจะทุกข์นะไม่ดีหรอก ให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแสงเขาท่องไวน้นะท่องให้ฟังซิใครจำได้ให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นออแล้วก็ให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแสงเขาไม่ต้องไปแทรกแสงนะค่ะก็ตั้งแต่ได้ ฟังทำหลวงพ่อก็มีความสุขมากขึ้นนะคะมเมื่อก่อนตอนแบบเวลาเป็นตะคิวหรืออะไรเงี้ยเราจะทุกข์มากจะเข้าไปคลุกเลยอะคะ่ะแต่ปัจจุบันก็จะฝึกไปนะนนที่หลวงพ่อสังเกตพวกเรานะพวกเราส่วนใหญ่นะพัฒนาขึ้นเยอะเลย ค, คือเวลาเนี้ยใจพวกเราค่อยๆถอนออกจากโลกมันจะรู้สึกเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งใช่ไมกุศลอกุศลอะไรเงี้ยอยู่อีกส่วนหนึง่งใจอยู่อีกส่วนหนึง่ง ตางคนต่างทําหน้าที่ไม่ก้าวไายกันไม่ก้าวไายกันไม่ทุกสิเนาะดีขึ้นนะคะหลวงพ่อดีฝึกไปขอบคุณค่ะบางคนฝึกเดือนหนึ่งสองเดือนเท่านั้นแหละไม่ใช้เวลาเยอะ ห, หรอกเดือนหนึ่งสองเดือนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าขยันนะมีคนมาเล่ามันก่อนจานซุปเคมาเล่ามีคนหนึ่งฝึกสองเดือนก็เปลี่ยนละแล้วมีคนหนึ่งเขียนจดหมายมาเล่าว่าคนหนึ่งเดือนหนึ่งก็เปลี่ยนละ จ, จิตจากเคยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหลงตลอดปีตลอดชาตินะจิตกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันแยกตัวออกจากธาตุจากขันได้เห็นขันนะั้แยกตัวกระจายตัวออกไปตรงนี้สำคัญมากนะพวกเราถ้าลำฟังเราทำความสงบจิตและจิตก็นิ่งอยู่เฉยนะไม่เดินตัญญานะความสงบจิตนั้นให้ทําไม่ใช่ไม่ให้ทาแต่ทาพอประมาณทาพอให้จิตมีเรื่องมีแรง จิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วหัดแยกธาตุแยกขันธ์ดูไปเลยร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บปวดอยู่ส่วนหนึ่งความดิ้นรนของจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งค่อยๆหัดแยกนะแยกเพิ่มๆไปเลื่อยในสุดก็แยกขันธ์ห้าออกไปได้จะพบเลยขันธ์ห้าพอแยกออกไปแล้วแต่ละตัวจะไม่มีคนแล้วร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขา เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสังขารเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตที่เกิดรับรู้รรอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาใจก็ไม่ใช่คนอีกเนี่ยเฝ้ารู้ไปนะจะถอนความเห็นผิดว่ามีคนมีสัตว์มีเรามีเขาผู้ที่ถอนความเห็นผิดได้นั่นแหละพระโสดาบันเพราะนั้นเราจะถอนความเห็นผิดได้นั้นเราก็มาหานแยกธาตุแยกขันธ์ดูนะ ถ้าทิ้งการแยกธาตุแยกขันตัวนี้แล้วก็ไม่ขึ้นมิปัสนาจริงนะมิปัสนาเนี่ยจะขึ้นมาได้เนะี่ยต้องเห็นธาตุขันต์แต่ละขันต์นั่นแหะแสดงไตรลักษณ์ถ้าขันต์ยังไม่เห็นเลยจะไปเห็นไตรลักษณ์ของขันต์ไม่ได้เะฉนั้นเบื้องต้นยังไม่ขึ้นมิปัสนาด้วยซ้ําไปนะต้องหัดแยกธาตุแยกขันต์เนี่ยต่อไปจะเห็นขันต์แต่ละขันต์เนะีเกิดดับเกิดดับไปไม่มีเราหรอกนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่เขาตรงนั้นแหละขึ้นมิปัสนาตัวจริง ถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วเนี่ย7วัน7็ดเดือน7ปีต้องได้ผลนี่บางคนสงสัยใช่ไหมทำมาสามสปีไม่ได้ผลจีจีไม่ขึ้นวิปัสสนานะเพ่งจิตให้นิ่งอย่างเดียวถ้าขึ้นวิปัสสนาได้นะต้องได้ผลนะยกเว้นคนอยู่สองสามจำพวกพวกที่1ทําทำอนันตริยกรรมมาค่าพ่อค่าแม่มานพวกที่สองนะพวกหวังพุทธภูม พวกนี้ไม่เอามรรคผลอยากเป็นพระพุทธเจ้าพวกที่สามทำบาปรองลงมาด่าพระอริยะนะด่าพระอริยะเนี่ยผิดกั้นมรรคผลชาตินี้นะชาตินี้งั้นเราไม่รู้ใครเป็นพระอริยะอย่าเที่ยวด่าใครเล่นนะอืมอย่าเที่ยวด่าส่งเด็ดเดือดร้อนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นด่าคนโ น, น้นด่าคนนี้ได้เรื่องแบบดีไม่ดีเกิดอนันตริยกรรมได้ด้วยนะอนันตริยกรรมเช่น เราโกรธพระ อ, องค์นี้เราไปชวนพระวัดอื่นมาโจมตีองค์นี้องค์นี้ก็ตกใจไปชวนพักพวกพระวัดอื่นมาชุมนุมสู้กันเนี่ยเกิดสังฆเพศที่มาเราเป็นโยมเราจะกลายเป็นตัวต้นต่อทำสังฆเพศนะจะต้องมีส่วนของอนันตริยกรรมไปด้วยยังไงก็ลงอาเวจนะีต้องระวังนะยุให้พระทะเลาะ ก, กันเนี่ยอันตรายที่สุดเลยเอา้าใครจะถาม มันช่างถามนักว่า4ี่เชิญกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะมากราบหลวงพ่อเมื่อเดือนที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าหนูเพ่งแล้วพอกลับไปบ้านดูลองพิจารณาดูก็เพ่งจริงๆเจ้าค่ะไม่หลอกหรอกก็เลยเลยรู้ว่าที่ผ่านมาที่นึกว่าสงบเนี่ยมันไปแช่เอาไว้ไปประคองเจ้าค่ะใช่นั่นแหละไม่เดินปัญญาหรอกกี่ปีกี่ชาติก็อยู่อย่างนั้นล ค่ะทีนี้ว่าแต่ก่อนนี้ก็เหมือนไปดูกายที่เคยคิดว่าดูกายก็ไปเพ่งมากกว่ า, าแล้วตอนนี้พอเหมือนว่าหลวงพ่อแนะนำหนูก็เลยลองปล่อยๆดูไม่เพ่งนี้่ค่ะมันกลายเป็นว่าเหมือนโมหะมันเยอะมากมันมองไม่ค่อยออกอแล้วอย่าไปตกใจนะมันยังไม่ชํานาญในการรู้สภาวะนี่ดูยากหน่อยหัดรู้ไปเรื่อยแต่ถ้าไปเพ่งนิ่งนะเหมือนรู้ชัดนะแต่ไม่มีไตรลัก แล้วที่โมหะที่มองเห็นก็คือให้รู้ไปใช่ไหมครก็ให้รู้ไปนะพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะดุคราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะอ๋อแล้วพอมีโมหะหนูก็ชอบไปแทรกแซงมันว่านั่นเกินที่พระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าไม่ได้บอกดุคราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะพอรู้แล้วให้รีบแทรกแซงไม่มีนะแล้วพอพอหนูตั้งใจไปแทรกแซงต้องทํำยังไงเจร้าคะแล้วก็รู้ <c oughs> ว่าจะแทรกแซง อ๋อ oh, แล้วมันก็หลงไปอีกแล้วคะ่ะรู้สลับกับหลงตลอดวันเลยอ oh, เราไม่ได้ภาวนาเอารู้นะ uh. แต่เรามีรู้ขึ้นมาเป็นขณะขณะเนี่ยเพื่อตัดท่อนชีวิตของเราให้เป็นตัดชีวิตเราอะ่ะให้ไปขาดเป็นท่อนๆชีวิตตอนนี้มีกิเลสชีวิตตอนนี้เป็นกุศลชีวิตตอนนี้มีกิเลสตอนนี้มีกุศล <c ironically> ชีวิตที่ขาดเป็นท่อนๆเราไม่ได้เอาชีวิตที่เป็นกุศลนะไม่ได้เอาชีวิตที่รู้สึกตัวนะแต่มันจะทําให้เห็นว่า ชีวิตช่วงที่หลงอยู่เกิดแล้วก็ดับชีวิตที่รู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับเราจะเอาตรงนี้ต่างหากละ่ะจ้าค่ะเราก็เห็นใจรักตลอดวันตอนเช้าบางทีอารมณ์ดีสัมพักเอาอีกแล้หน้าแบบเมื่อยใจเศร้ า, า น, นั่นแหละอัดดูใจรักอย่างนั้นขั้นแรกใจรักเนี่ยหัดดูด้วยการเปรียบเทียบอย่างที่คุณดูเนี่ยมันดูด้วยการเปรียบเทียบเช้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราจําได้ตอนสายหน้าหงิกไปแล้ว นี่แสดงว่าไม่เที่ยงการที่เห็นไตรลักษณ์โดยการเปรียบเทียบนะด้ยการยังคิดอยู่นี่เป็นปัญญาขั้นที่สชื่อสัมมสนาญาณเกือบจะขึ้นวิปัสนาแล้วแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาจะเห็นไตรลักษณ์อยู่ในปัจจุบันนี้เลยไม่ต้องเปรียบเทียบอ๋อนะ แ, แต่ว่าอาศัยการพริจารณาอย่างนั้นก่อนนำร่องมันนะเจ้ค่ ะ, คะเป็นขั้นที่สพราะขั้นที่4ี่เนี่ยมันเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเลยไม่ต้องเปรียบเทียบเมื่อเช้ากับเมื่อสายหรอก เจ้าค่ะทีนี้ว่าเวลาทําสมถะที่เคยเลยเดียนหล่งพอกลายเป็นว่าตอนนี้พอแค่ปิดตาก็เพ่งแล้วเจ้าค่ะแค่จะนั่งสมาธิก็เพ่งให้รู้สิให้รู้ว่าโลภอ๋อใช่หนูรู้สึกว่าหนูอยากดีนั่นแหละโลภแหะอ๋อแล้วที่นี้ว่าคําสุภาพก็อยากดีคำจริจริงคือโลภเป็นเปรตหรือเปล่าไม่เป็นอันนี้รักดีนะรักดีไม่เป็นเปรตแล้วกลายเป็นว่ากลัวการนั่งสมาธิเจ้าค่ะหลวกลัว กลัวรู้ว่ากลัวแล้วนั่งก็ปล่อยให้เพ่งไปดูไปเรื่องต้นต้องเพ่งก่อนอนะอย่าไปกลัวนะแล้วก็ปล่อยรู้ทันว่าเพ่งมันจะคลายออกแล้วพอดีเจ้าค่ะอยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าหนูควรมีอะไรต้องแก้ปรับปรุงแล้วก็ขอกันบานจ้าค่ะหนูฟุ้งเก่งไหมล่ะค่ะหนูฟุ้งสัานเก่งไหมล่ะฟุ้งที่สุดในโลกเล้าคะเออนะแหมรู้ซสอีกก็ไปดูจิตบ่อยๆนะ หาเครื่ อ, อยู่ให้จิตจะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีๆก็ได้น ะ, ะแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลงไปอย่างนี้ฝึกแบบนี้มากๆต่อไปจิตไหลนิดเดียวก็รู้สึกแล้วมันจะไม่ฟุง้งเวลาดูลมมันเพ่งอีกแล้วเจ้า่ะเพ่งรัวเพ่งนะอย่า ก, กลัวสิหลวงพ่อบอกไปอย่าเพิ่งกลัวเจ้าค่ะนะแต่อย่าไปเพ่งแรงอย่างแต่ก่อนเพ่งอย่างแต่ก่อนมันเมื่อยอ่ะค่ะสีเจ็ขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบธรรมสการหลวงพ่อค่ะคือต้อง อยากจะเรียนถามหลองพ่ะว่าของโยมเนี่ยมีตอนนี้อยู่ในร่องในรอยดีอยู่หรือเปล่าคะแล้วก็มีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงหรือควรจะทําต่อบ้างรักษาศีลได้วยไหมได้ค่ะเออนั่นแหละอยู่ในร่องในรอยแล้วะเวลาจิตฟรรุ้งซ่านรู้ไหมรู้ค่ะเออนั่นแหละอยู่ในร่องในรอยแล้วมีศีลมันก็มีสมาธินะต่อไปก็ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานใจขนาดนี้เป็นยังไงตื่นเต้นมากเลยค่ะออนอกจากตื่นเต้นแล้วใจไปทําอะไรอีก เ อ, อ<ล>งคิดค่ะนกอกจากลองคิดแล้วมีอะไรอีกดูออกไหมไม่ออกค่ะตอนเนี้ใจโลง่ลงๆหรือใจหนักๆมัน ป, ป, ปนๆกันค่ะนะมันมัวซั่วใช่ไหมใช่ค่ะก็รู้ว่ามัวซั่วนะจริงๆเข้าไปแทรกแซงค่ะอย่างไปแทรกแซงอยู่มันตื่นเต้นเลยไปแทรกแซงมันน ะ, ะไปกดไปขม่มมันนั่นแหล ะ, ะนะนี่ข่มยังไม่ไม่ไม่เรียบสนิทยังดีดไปดีดมาแล้วก็รู้เอานะค่ะรู้อย่างที่เขาเป็น ค่ะหลวงพ่อเคยเคยเ อ, อบอกตอนเจอหลวงพ่อหลังครั้งแรกค่ะบอกว่าให้ไปดูกายแต่ว่าพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็เคยฟังซีดีขอวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามีอะไรให้ดูก็ดูตัวนั้นถ้าเกิดตั้งใจดูตัวใดตัวหนึ่งจะกลายเป็นเพลงกลาเป็นเพลงค่นะคราวนี้สิ่งที่เห็นเนี่ยสลวงพ่อบอกให้ไปดูกายทําไมตัวเองเห็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่กายตลอดเลยไม่ไม่ได้กายตลอดถ้าดูกายเนี่ยเพื่อจะได้เห็นจิตนะค่ะเอ ถ้าดูกายเป็นจะเห็นจิตเพรจิตเป็นคนไปดูกายานะนี่มันฟุ้งมากดูจิตไม่ไหวมันหนีตลอดนะมาดูกายไว้ากายเป็นของหยาบดูง่ายเราควรจะบังคับให้มันกลับมาอยู่ที่กายเหรอคะอไม่บังคับหรอกแต่นึกถึงกายบ่อยๆไม่บังคับนะร้อยสี <14 7 S 1> ่สิบเจ็ดกล่อมนมาสการหลวงพ่อค่ะเอาเอาผลการปฏิบัติมาส่งค่ะดีชอบ คือเห็นสภาวธรรมอยู่ประมาณ3ามครั้งอะคะ่ะครั้งหนึ่งเห็นว่าจิตคือตามันเห็นมดที่กําลังตายแล้วแล้วก็จิตมันไปเห็นแล้วก็เหมือนกับมือมันจะไปฆ่าโดยโดยสัญชาตญาณคะแต่ว่าพอมือมันไปถึงที่ตัวมดแล้วมันไปหยิบมดลงอะคะ่ะมัน ไ, <ป S 2> ไม่ได้ฆ่านะเห็นมดมดที่ตายที่ขาย่เงี้ยคะ่ะแ ล, ะและ้วลงฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้ฆ่าคะ่ะหยิบหยิบก็เลยเห็นว่า เห็นจิตที่มันมันอัตโนมัติว่าจะฆ่าแต่แต่หยิบออกอะค่ะว่ามันเบรคทันอย่างเงี้ยนั่ น, นเห็นไหมมีสติก็มีศีล้วเห็นไหมค่ะเ อ, อดีโมทนวอีกครั้งหนึ่งก็ขับรถอยู่ค่ะฟังซีดีหลวงพ่อไปด้วยระหว่างขับรถกลับมากรุงเทพอะค่ะแล้วก็จิตมันวิ่งไปดูตามันวิ่งไปดูอุบัติเหตุข้างทางค่ะแล้วก็เสียงของพ่อก็หายไปทีนี้พอพอตาที่กลับมาอย่าเงี้ยค่ะก็เอ๊ะ เมื่อกี้เราไม่ได้ยินเสียงของพ่อเลยจะถูกแล้วค่ะแล้วอีกครั้งหนึ่งก็มีเอามือผ่านจมูกอ่ะแล้วมันได้กลิ่นที่ติดที่มือแล้วมันมีสัญญาที่มันขึ้นมาก็เห็นมันดับไปโดยที่ไม่คือรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งแล้วก็ดับไปอ่ะค่ะนั่นแหละดูอย่างนั้นแหละเห็นไหมทุกอย่างเกิดแล้วดับค่ะเห็นไหมมันทํางานได้เองค่ะ อย่างจิตมันอยากจะฆ่าใช่ไหมเราไม่ได้จงใจเลยจิตมันจะฆ่าสติมันก็เกิดเองทำอะไรจะฆ่ามดแล้วสติเกิดระลึกได้นะฝึกไปนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วขอบพระคุณมากครับเบอร์สอง้อยเบอร์สองรกราบนมัสการ์ของพ่อครับใจมันรู้ว่าความคิดไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเป็นเพราะความจําหรือว่ามันเกิดไม่ของโยมเห็นจริงๆนะที่โยมฝึกอ่ะใช้ได้โยมดูออกไหมเราไม่เหมือนเดิม ดีโมทนาร์แล้วมันต้องต่อเนื่องไหมครับต้องต้อ ง, ต, องต้องฝึกทุกวันนะทำทุกวันยิ่งมากยิ่งดีนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้เลยนะดูดออกไหมล่ะใจมันโปร่งโล่งนะเลยมันเห็นโลกตามความเป็นจริงนะแต่ใจมันไม่คลุกกับโลกอะ่ะหกสิบเก้ากับ น, นมรสการค่ะผมพ่อเคยบอกว่าให้ไปดูกายที่นี่ หลังจากนั้นก็คื อ, อยังให้หลวงพ่อช่วยแนะนําต่อค่ะว่าเป็นไงบ้างจิตเราเหมือนเดิมไหมมีพัฒนาการไหมดูออกไหมล่ะบางทีก็ดูออกบางทีก็ดูไม่ทันจิตขนาดนี้กัตกร์เหมือนกันไหมดีขึ้นค่ะใช่นะไปฝึกต่อนะถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้วเราจเจริญขึ้นเราก็ฝึกของเราต่อไปค่ะขอบคุณค่ะไลยหนึ่ง เดี๋ยวนี้น่าทึ่งมากเลยนะพวกเราพอนะธาตุขันนั้มันแยกออกไปจิตส่วนจิตนะขันส่วนขันแล้วมันเดินกลับนมัสการหลวงพ่อมาทานโทษมากไปกลับนมัสการค่ะเวลารู้สึกตัวเนี่ยจะรู้สึกได้เป็นกลุ่มๆใช่ไหมคะได้ส่วนอย่างเช่นว่าพอรู้ไหมกลุ่มหนึ่งมีกี่รูปไม่ค่ะคือคือเหมือนกับว่าพอรู้ตอนนี้แล้วอีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รู้อีแป๊บเดี๋ยวก็รู้นี่จะเป็นการเพ่งหรือเปล่าคะ <ฮ>คือถ้าถ้ารูาาา้แล้วก็เผลอไปแล้วก็รู้อีกเนี้ยไม่เพ่งหรอกคือคือจะรู้เป็นกลุ่มอะค่ะอย่างเช่นว่าช่วงเนี้ยจะรู้พออีกสักพักก็หายก็ไม่รู้เรื่องนะกลุ่มหนึ่ง น, น, <ะ S 1> นานเท่าไหร่กลุ่มหนึง่งก็เดี๋ยวนี้ดีขึ้นหน่อยนานเท่าไหร่หลักกลุ่มก็กลุ่มหนึ่งก็สักสี่ห้านาทีก็จะรู้ใช้นานไปหน่อยนะเออไปเอาใหม่นั้นนาทีหนึ่งเห็นหลงได้หลายๆครั้งโอเคค่ะค่อยคฝึกไปฝึกแล้วชีวิตจะดีนะ มมีควาสุขนั่นก็คือในช่วงระหว่างกลุ่มเหมือนกับเรารู้ครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปที่รู้ไม่ได้เป็นการเพ่งแต่มันจะรู้ตามมาเองอัตออมัตถ้ารู้<ะ>ด้วยการเพ่งนะใจจะแน่นแล้วก็รู้แบบไม่คลาดสายตาเลยไม่ขาดเป็นท่อนๆหรอก uh huh. จะรู้ตลอดเลยนั่งเพ่งตัวเองไว้เพ่งจะจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าที่โยมปฏิบัติมานี่ถูกต้องไหมคะถูกต้องขอบพระคุณคะ่ะจิตสงบไหมลนะ่ะ สงบค่ะนะสงบดีไหมก็เวลานั่งสมาธิเนี่ยค่ะจะเห็นได้ชัดเวลานั่งสมาธิแล้วเผลอจะจะรู้ตัวนั่นแหละไปฝึกบ่อยนะฝึกบ่อยๆนั่งนั่งไปแล้วก็รู้ทันจิตที่หลงไปฝึกบ่อยๆต่อไปเวลามาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยไหลนิดเดียวก็เห็นแล้วค่ะไม่ไม่สีหนาทีหรอกแป๊บเดียวก็เห็นเลยค่ะยี่สิบเจ็ดกามนี่ยมรสรหลวงพ่อค่ะ ส่งการบ้านเมื่อปีที่แล้วนะคะหลวงพ่อบอกว่ า, าติดสุกแล้วไม่รู้ตัวนะคะก็ไปพิจารณาแล้วก็ก็ทราบแล้วว่ามันคือตรงไหนแล้วก็ได้ทําการบ้านบ้างนะคะก็ ร, รู้รู้ตัวบะรู้หลงรู้ตัวแต่ว่าจะถนัดรู้กายก็ก็บางบางครั้งก็เห็นว่ามือเนี่ยมันไม่ใช่มือเรามันเป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้สาธุนะค่ะแล้วก็บานอนเนี่ยก็จะ ทุกครั้งที่นอนเนี่ยจะมีความสุขมากแต่ตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเวลาที่หลับเนี่ยมันเกิดความทุกข์เมื่อยจนต้องพลิกซ้ายใช่ใช่แล้วก็มีความแล้วก็ก็คลายแล้วก็หลับไปอีกแล้วก็พอเมื่อยอีกแล้วพลิกขวามันจะสลับกันเนี้ยทั้งคืนจนรู้สึกว่ากายเนี่ยมันมันเป็นทุกข์มันผิดแบบรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้อย่างนั้นแหละความจริงละ่ะ ความจริงเห็นไหมขันห้าเป็นทุกข์ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นสุขนะเป็นทุกข์จริงๆนะค่ะแบบมันทุกข์มากจนไม่เคยไม่เคยรู้สึกว่ากายมันทุกข์ขนาดนี้ในตอนกลางวันเนี่ยไม่ไม่รู้สึกะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยมันจะรู้สึกดีค่ะก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วยชี้แนะว่าที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะค่ะทําต่อไปค่ะดีแล้วล่ะขอบพระคุณมากค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆเลยค ก็รู้รู้ตัวรู้ความประพฤติรู้อะไรของตัวเองมากขึ้นค่ะนี่แหละค่อยสมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อนะรู้ทันตัวเองอ่ ะ, ะใช้ได้แล้วชีวิตเราจะดีขึ้น ร, รู้สึกไหมคนรอบรอ บ, บตัว <c oughs> เราเ็าบอกไหมเราเปลี่ยนไม่ได้ถามอ้าวร้อยสิบเก้าหลวงพ่อจะบอกให้นะคนมีแค่มีสตินะสวยกว่าเก่าด้วยซ้ำไป หน้าตานะจะ ผ, ผ่องออกมาจากข้างในเลยนะไม่ต้องทาแป้งเลยทาแป้งมันจะด้านๆ น, นะจริงๆมันไม่ผ่องจริงมันดูด้านๆมันไม่มีแสงนะแต่ถ้าภาวนานะจะมีแสงออกมารอบตัวเลยสบายสว่างอา้าวอยบอยู่ไหนกราบน้ำมการหลวงพ่อค่ะจะขอเรียนถามว่า สภาวะคิดกับสภาวะรู้มันต่างกันยังไงคะ oh. เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพอดีขับรถอยู่ตอนคืนมันเงียบๆอ่ะแล้วเราก็เหมือนเราไปเห็นว่ากายเนี่ยมันบางทั้งมันเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เราแต่ว่าไปเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เราแล้วมันก็ตกใจว่า <Yeah. S 1> เอ้ยเราเราหลงผิดมาตั้งนานเลยอจากนั้นมันก็หายไปใช่หลงมานานเรนไม่ทราว่าอันนั้นเป็นสภาวะคิดหรือสภาวะรู้สภาวะที่รู้ขึ้นมาแต่การคริดมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอก แล้วมันก็ไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นอีกเลยอย่าอยากนะถ้าอยากจะไม่มีอีกแล้วก็จะเรียนถามว่าที่ที่ปฏิบัติมาเป็นยังไงมั่งนะคะอ้าวดีไ้ยล่ะฮะ <laughs> <laughs> รู้สึกตัวเองว่าดีแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าคิดหรือรู้อีกคนะ่ะ <laughs> ให้รู้ไปเลยว่าขี้สงสัย <laughs> ให้รู้ทันตัวนั้นแหละรู้ทันจุดอ่อนของเราเองนะ <c oughs> ภาวานาก็ดีอยู่หรอกนะแต่ขี้สงสัยให้รู้ไอย่างนี้ เอาหกสิบแปดขออนุญาตอีกนิดนะคะพอดีกลุ่มที่มาจากชิคาโกขอกราบลาหลวงพ่อขอพระคุณที่ให้ธรรมะด้วยค่ะหกสิบแปดเชิญ น, นมันสการค่ะหลวงพ่อเอากันบ้านมาถวายค่ะเออชอบตั้งแต่ส่งกันบ้านขราวก่อนจิตก็มีสติไว้ขึ้นแล้วก็ร ะ, ะลึกระลึกรู้สภาวะได้ละเอียดขึ้นอย่างเมื่อก่อนจะ มีเลือกที่รักมักที่ชังอะไรที่ไม่ชอบก็จะไม่รู้เลือกที่จะไม่รู้แทนเลยค่ะแล้วพอเหมือนพอฝึกสติขึ้นเขาก็เห็นสภาวะมันเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องแม้แต่ความชอบไม่ชอบก็เป็นแค่สภาวะหนึ่งเลยค่ะถูกต้องมันก็เลยเห็นเหมือนกับมันเป็นแค่สภาวะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นจุดจุดจุดจุดไปเรื่อยๆถูกต้องแล้วการที่เราเห็นเป็นจุดจุดนี่ยเราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะ เพราะว่ามันขาดเป็นท่อนๆนึก อ, ออกไหมมันไม่ใช่อันเดียวละตรงที่มันขาดเป็นท่อนๆหรือเป็นจุดๆขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าสันตติขาดสันตติคือความสืบเนื่องแต่เดิมเราคิดว่าจิตเราเที่ยงเนี่ยเนี่ยเราพบว่านี่นะอย่าง น, นี้ขึ้นวิปัสสนาแท้แล้วเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีแต่ก็ยังต้องอาศัยกําลังของสติและสมาธิมันถึงจะเห็นอย่างตอนนี้ทิ้งไม่ได้นะทิ้งสติทิ้งสมาธิไม่ได้ ทุกเว้ทุกวันต้องทําสมาธิหมดแล้วค่ะอ่ะทางนี้ก็ควรจะหมดแล้วอ่ะจะถามอะไรมันหมดแล้วไปทําเอานะใช้ได้เบอร์สองเชิญแรงเหวี่ยงในการที่พอมันไม่อยากปฏิบัติแรงเหวี่ยงมันแรงมากเลยอะค่ะเป็นยังไงแรงเบี่ยงค่ะคือพอมันรู้สึกว่าไม่อยากปฏิบัติเนี่ยพอเราจะสวดมนเดินจงกรมตามปกติเนี่ยมันจะต้านอย่างแรงเลยค่ะต้านก็ต้านกับมันไม่ยอมมันนะ ต้องฝืนใจนะมันจะพาไม่ให้ปฏิบัติไม่ได้ต้องปฏิบัติใช้หลักของหลวงพ่อชาวไว้นะขยันก็ปฏิบัตินะขี้เกียจก็ปฏิบัตินะไม่เลิกคราวนี้มันจะมีอยู่อีกอย่างหนึ่งค่ะเคยเห็นภาพของตอนที่เมืองเฮติถล่มกับตอนน้าท่วมอะไรนะอะไรถลม่มตอนที่เมืองถล่มอะค่ะกับตอนที่น้ําท่วมหาดใหญ่มันจะเกิดเหมือนมีอาการปิติขึ้นแล้วมันใจมันจะเรียบสนิท หลังจากนั้นเวลามันไปมองอะไรเหมือนมันจะก๊อปความรู้สึกเฉยเฉยอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปเฉยรู้ทันลงไปเลยนะจิตเฉยเก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้รู้อย่างที่มันเป็นแต่มันจะติดนานนะคะไม่ชอบใช่ไหมนั่นแหละดูให้ทันตัวนั้นนะจิตไม่เป็นกลางเลยงั้นรู้สภาวะทั้งหลายที่เขามีนะรู้ไปอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลาง เะจิตมันไม่เป็นกลางจริงมันไม่ได้นิ่งจริงเห็นไหมที่หนูบอกว่าดูแล้วมันนิ่งไปหมดอ่ะที่แท้มันไม่ชอบมันไม่ได้นิ่งหรอกนะึ 180. ่งร้อยค่ะไมล์ผ่านไม่ชีแล้วขอกลับลาหลวงพ่อกับวัดเขาใหญ่ด้วยนะเจ้าค้าวันนี้แต<น>่อยู่เขาใหญ่แถวนี้เขาเล็กกับก <laughs> <laughs> ับนวัตกรรหลวงพ่อค่ะ ah, คือเหมือนแต่ก่อนตัวเองจะติดเพลงอะคะ่ะ แล้วเคยฟังซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้าเป็นสติตัวแท้เนี่ยก็คือเป็นอนัตตาจะเกิดเองจะไปบังคับให้เกิดก็ไม่ได้ก็เลยพยายามเหมือนให้ตัวเองเป็นธรรมชาติขึ้นหให้เกิดเองก็เลยไม่แน่ใจว่าคือมันจะคล้ายกับการไม่ปฏิบัติมากเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติอยู่หรือว่าคือถ้าติดเพ่งแรงๆนะเบื้องต้นก็ปล่อยไปก่อนลืมเรื่องปฏิบัติไปก่อนนะพอใจมันเคลื่อนไหวได้แล้วคอยรู้ทันกิเลสไปกิเลส เ, เกิดไหมวันๆหนึ่งเกิดคะ่ะนั่นแหละถ้ารู้ได้นะก็ใช้ได้ แต่มันรู้น้อยท้ไมถึงวันันึงจะรู้ไม่กี่ครั้งหัดรู้สิหัดรู้ไปบ่อยๆในความเป็นจริงแล้วความรู้สึกทางใจเนี่ยเกิดตลอดเวลานะมีอยู่ตลอดแนละ้วหนูค่อยรู้บ่อยๆไปนะแรกๆ ก, ก็นานๆรู้ทีหนึ่งนะฝึกไปมากเข้ามากเข้าหัดรู้หัดสังเกตใส่ใจสนใจที่จะรู้จิตใจตนเองต่อไปมันจะรู้ถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นไปอดทนทำนะอย่าท้อใจนะขอบคุณค่ะเจ็ดสิบหก นู่นอยู่ข้างหลังนั้นกําลังดีใจอยู่นั่นดีใจเราเห็นไหมว่าดีใจเออต้องอย่างนั้นการนะมัสการหลวงพ่อค่ะขอโอกาสส่งการบ้านแล้วก็ถวายการบ้านรอบเจ็ดเดือนนะคะออหนูอยากบอกว่าที่ผ่านมาเจดเดือนนั้นมันไปเห็นสภาวะที่มันเหมือนมีสองคนอยู่ในอยู่ในใกายเนะะี้ยค่ะอบางครั้งเขาก็ไม่ยอ ม, มคือพอพอจะขี้เกียจ ก็ไปได้ยินมันหัวล้อย่ะออกมาว่แพ้มันอ right> ีกแล้วเออมันเกล่อนค่ะก็ก็บางทีจะนอนตื่นเช้าตื่นเช้าเมื่มาสวดมนเนี่ยพอลุกขึ้นนั่งแล้วมันเริ่มอยากนอนพอล้มไปมันก็หัวล้อย่ะขึ้นมาได้งล่นดีดด้นมันหัวล้อดีใช่ค่ะแล้วมันก็ตัวมันก็ดีดขึ้นมาเลยค่ะหลวงพ่อเออตัอย่างนั้นสิไม่ไม่ใช่นั่งสมาธิมันหัวล้อย่ะตัวดีดลงไปนอนอย่างนั้นไม่เอาใช่ค่ะแล้ว คือว่ามัน <laughs> ลืมไปเลยใช่ไหม <laughs> <c oughs> เห็นคือหนูไม่แน่ใจนะคะหนูเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมีโม О หะเป็นม่านปูพื้นอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะดีเแล้วก็เวลารู้เนี่ยมันก็แวกมานออกมาทีนึงแล้วเห็นเหมือนมีพบเล็กๆเนี่ยสร้างอยู่ในใจตลอดเออนะเป็นเรื่อยๆค่ะดูไปบ่อยๆนะ จุดอ่อนนี่ก็คือใจไม่ค่อยเป็นกลางกับมันใช่ค่ะมันไม่ยอมแล้วมันชอบพร่ำครวนมันชอบเลยนะแล้วมันเหมือนดิ้นสู้อยู่อะค่ะนัให้รู้ทันตัวนั้นแหละรู้เจอกระทั่งมันเป็นกลางค่ะเวลานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปแล้วก็เห็นสัญญาเป็นภาพบ้างเป็นเสียงบ้างใช่ออกมาแวบแวบบตลอดเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งก็ดับเกิดขึ้นมาแวบหนึ่งก็ดับ จนจนพอมันเหมือนจะออกมานั่งไปทักระยะหนึ่งจิตมันก็จะมีได้ยินพูดออกมาว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะแล้วอีกตัวเก็บอกว่าไม่ได้ไม่ยอมเ อ, อ้ว่าทำไมไม่ไยอมมันก็ทะเลาะ ก, กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันสะอื้นออกมาทุกครั้งหนูมไม่ทราบว่าหนูตินอะไรอยู่อะค่ะไม่เป็นไรหรอกนะจิตมันสอนธรรมะให้เรื่อยๆกิเลสมันก็พยายามต่อต้านเข้าค่ะมันก็คล้ายๆมารสู้กับพระสู้อยู่ในใจเราเค่ะ แต่ยอมแพ้มันก็แล้วกันยายาให้ฝึกต่ อ, อให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางไหมใช่ค่ะร้อยสิบสี่ขอบคุณมากนี่อยู่กลางห้องร้อยสิบสี่คนสุดท้ายแล้ว<อ>เดี๋ยวได้กลับบ้านธรรมส ก, การเจ้าค่ะขอส่งกันบ้านค่ะรอบที่แล้วที่มาส่งกันบ้านนะคะก็รอบที่แล้วหนูมาเรียนหลวงพ่อว่ามันทุกข์มากทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งจิตสลับกันไปอะคะ่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่า ทุกแล้วไปอยากจะละมันไม่ใช่อยากจะรู้ค่ะเออไม่ไม่ใช่รู้เอาก็อยากจะละมันมันก็เลยดิ้นนะคะก็รอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าทุกขมันน้อยลงไม่รู้ว่ามันหลงมากขึ้นหรือว่ามันเป็นกลางขึ้นงั้นไหเป็นกลางขึ้นค่ะแล้วก็สภาวะที่เห็นก่อนก่อนหน้าที่จะมาวัดเนี่ยค่ะคืออย่างตอนที่เดินจงกรมอยู่พบว่าโลกที่มันเกิดทางอายตนะต่างๆตาหู ใจทั้งหลายแหละเนี่ยคะ่ะมันเสมอราบกันเป็นโลกที่เหมือนกันแล้วระหว่างที่มันเกิดดับโลกต่างๆเนี่ยมันมีช่องว่างตรงกลางที่มีแสงสว่างอยู่เจ้าคะ่ะใช่ใช่ดีไปฝออีกนะรู้สึกไห้เราไม่เหมือนเดิมแล้วเจ้าคะ่ะศาสนาพุทธอัศจรรย์มากนะพ่อจะบอกให้เล่าอะไรให้ฟังเมื่อวานพวกเราก็ส่งกันบ้านแบบนี้แหละมีพระเยอะเลยเมื่อวาน พอเราพ่อคุยกับโยมเสร็จนะบอกให้โยมไปได้แล้วหลวงพ่อไปคุยกับพระพระบอกน่ากลัวจชิญเลยโยมอะภาวนากันน่ากลัวจริงๆคือถ้าฟังเป็นนะจะรู้ว่าพวกเราจำนวนมหาศาลเลยมีพัฒนาการทางจิตวิญญาณอย่างมากเลยเราไม่ได้แค่ติดอยู่แค่รักษาสีลทำความสงบนะพวกเราเก้ามาสู่ขั้นการเจริญปัญญาแล้ว เพียงแต่อย่าทิ้งสีเนี่ยทิ้งสมาธิเท่านั้นแหละเป็นฐานที่จำเป็นนะแล้วเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยทางพ้นทุกข์มันอยู่ตรงนี้เองันจิตใจพวกเราจำนวนมหาศาลในที่เปลี่ยนไปไม่ใช่คนเก่าแล้วไปฝึกนะวันนึงก็จะได้ของดีหรอกเชิญกลับบ้านพระยังกลัวเลยนะโยมอ่ะ